อ้าต่อ น, นี้ไปก <c oughs> ็ตั้งใจไว้ตามเดิมอัตราณีเคยเกิดเป็นลุกเทวดาใช่ไหมไม่ใช่ค่เอาชาติหนึ่งสมัยหนึ่งที่เป็นลุกพระเทวดาดูร่างกายที่สวยก็สมภูมิเทวดามากไหมสวยแต่ไม่มากสวยกว่าสวยกว่าใช่ไหสวยกว่าพ ร, ระมเทวดาใช่ไหม <c oughs> ไม่ถึงอากาศ ร, ระเทวดาที่ต้องสวยกว่า จะม้อยล่ะสหมลานระเภทที่เขียแล้ว ใ, ใ, ใส่ใดใส่เอใ่วานใช่าราเ็ว่าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชผู้ชายกุวดาน ะ, ะปราีแล้วเป็นเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงใช่ผู้ ช, ชายเหมือนกันน ะ, ะดูสภาวะความเป็นลุกกุฏิวดานี่ว่าเราต้องทางานหน้าที่อะไรนะเรียกว่าเป็นหน้าที่รับใช้ของมอ ถ, ถ, ถ้าวัสุวรรณแล้วถ้าทุสรสหรอถ้ามืนหกกรือถามือดึงปัดเป็นเป็นแบบยังวจโดยตามตำรวจตอนนีเ้น เ, ปนเป็นสายของไข่ข้อสี่องค์เนี่ยมือดึงหกใช่ไหมมือดึงหกกคือมือหกวันนี้แหละทำงานแต่ท่านขยายไหมโอเคมีสายหนึ่ง หรือว่าถ้าทำงานกับพยายมราชมาทั้งรวมสายเป็นของทั้งสีสายแต่ว่าเป็นเทวดาธุดแสดงผลอนทนาพยายมราชนะเป็นแล้วว่าการทำงานของลูกกติวดาในตอนนั้นก็าเป็นคนหาข่าวใช่ไหมใช่รข่าวเนาะสมัยห้าข่าวกันะนั่นนั่นแหละเขาเรียกคนหาข่าว อย่างภูมิเทวดากระลุกเทวดาทำงานเหมือนกันต้องการรู้ว่าใครทำบุญบ้างทำบาปบ้างแต่ที่เขาต้องหน้าจะแสดงให้เห็นแต่ความจริงขาไม่ต้องต้องนะถ้าเขาไม่ฟ้องแสดงว่าเราจะไม่รู้เพราะว่าพระใหญ่จะรู้ว่าใครทำบุญที่ไหนทำบาปที่ไหนภ า, าวะบัญชีเนมันจะปรากฏของเราทีนะี้ทุกคนถอยหลังไปริบว่าก่อนที่จะเป็นลูกเทวดา ตอนนั้นเป็นคนเป็นเนเจ้าหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นว่าพ่อค้าเป็นชาวนาเป็นชาวไร่หรือว่าเป็นข้าทานเห็น้อยเป็นผู้ชายใส่ชุดข้าราชการเป็นข้าราชการหรือสำนักเป็นเป็นกษัตริย์หรือไงกษัตริย์นะเองกษัตริย์ในสมัยนั้น เออเดี๋ยวก่อนพอหลังจากชาตินี้ไปสักยี่สิบชาติได้ไหมถามแม่ดิแม่ียูสิแชาติสิบแปชาตินะสิบแปชาติตอนนั้นแม่ก็เป็นอัตวทเดียวพอหลังไปสิบแปดชาตินี่มันกใกล้ๆกรับเกือบๆจะเป็นตำแหน่งจัา ก, กัปเทวะตอนนั้นอัจจานีแหละ ข้าวนาใช่ข้าวนานะเอ้ยข้ามาผัดเอ้ยมี้าพมาผัดอันนี้เราต้องการอ่าชีพม้อยความเป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นทรัพย์ศมัดมากนะเยอะแยะเลยเยอนะอาณาจักรกว้างและไม่กว้างกว้างกว่าเขามาว่าอาณาจักกว้างกว่าประเทศไทยเดียวนี้แล้วเล็กกว่ากว้างกว่ากว้างกว่านะอาณาจักรกว้างกว่าเราไม่วัฒนารรบารมีมาก เออจะเวลาตายอะไรบ้างไปบ้างหรือเล่าไม่ได้อะไรเออดูที่เวลาตายตายเพราะการลบหรือว่าตายเพราะการอยู่ปกติตายกท็กทางตายเพราะการรบเนอันนี้ถ้าเราตายเพราะการรบเนี่ยมันน่าจะลงนะลูกทีตอนนั้นกาลังใจมันเป็นยังไงถึงเกิดมาเป็นลุกกฐวดาได้ห่วงประเทศชาติเป็นอดูสอนสอนดู เป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเอ้ยเพห่วงมากย่าลืมนะคำว่าห่วงตัวนี้นะมันจิตเมตตาตัวคนในชาติจะต้องลาบากใช่ไหมถ้า ห, หากว่าเรามารบในรบป้องกันคนในชาติให้คนในชาติมีความสุขซึ่งเราไม่ผิดคนกองทพนั ม, มันมากจริงแต่ว่ามันไม่มากต่อคนในประเทศแต่การต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อคนส่วนใหญ่อันนี้เป็นเมตตาบารมีส่วนห่ แต่ว่ามันเป็นแม่เมตาบารมีที่กลัวไปด้วยอารมณ์ที่ต้องรบยิงเกิดไปดวงดาชั้นสูงไม่ได้แม่วางนั้นใช่ไหมใช่ใแล้วก็ฌาณีตอนนั้นดูภาพที่ว่าก่อนที่จะตายหวยตายนึกงูกัดตายนึวมดเห่าตายหวยตาย่วยตายเป็นโรคอะไร อ, อ้าดีไม่ต้องใจใจสูงมันใจไม่สูงมังนธรรดาไม่ได้ดูที่เป็นโรคอะไรสภาพของร่างกายเป็นโรคไม่ต้องบอกชื่อโรคนะมันอัจเจยนหรือว่ามันพายท้องหรือว่ามั น, นมันปวดเจ็บท้องหรือว่ามันมีใจใจสันน่นอะไรใจสั่นใจสั่นใจสั่นสมัยนี้เขาเรียกโรคลมใช่ไหมใช่นันก็นั้นก็โรคเขีว่าลมลมหอว่านันก็ไม่ เ, ม เ, ไมเห็นลมแล้วถ้ามันโรคอุสม สภาพลาดใจสันอายุมากไหมอายุไม่มากไม่มากนะเป็นนมหรือยังประมาณสี่ใช่ใช่ก็ต่ออยู่ตะเก็นมากแล้วนะก็ถือว่าไฟกลางคนนะไฟกลางคนตอนนั้นเป็นคนผิวดำหรือผิวขาว <ดำ S 1> ผิวดำผิวดำนะำผิวใสผิวเนื้อดำแดงมีความแข็งแรงปกติใช่ไหม ทำงานพุ๊บพบกุ๊บพบรู้สึกว่าเป็นคนมีแข็งแรงก้องไวใช่ไหมใช่ถูกต้องนะตัวกำลังใจที่ป่วยตายก่อนที่จมาก่อที่จะตายจริงจงจิตมันจับอะไรถึงเป็นลุกตะวดาจับความดีใช่ค่ะจับความดีใจตาอ๋อจิตนึกถึงบนใช่ไหมใช่ค่ะ ยึดลึกส่วนข้อมูลถูกต้องอันนี้ถ the <No ูกถ tamam ูกเต็ทั้งหมดเป็นตอบมาถูกหมดนะอันนี้ดีใจมากเนี่ยการเลือกชาติได้ต้องทาแบบนี้นะอย่าไปนลืกเองนะเลอกเองนี่ถูกที่หลอกนะเราต้องอาศัยผู้ได้เจ้าจงปู่ท่งนย่าท่านแม่ล้วมีเขาพักโทแล้วต้องเยอะไอเรงพลาดไม่มีนะเนี่ต่อนี้ไปไอ้นี่เบื่อมั้งเนี่ยถามจริงนะเบื่อกันเกิดไม่ใช่เบื่อกันเกิดนะเนี่ยตายตายมากี่หนแล้วใช่ไหม รวยก็รวยแล้วจนก็จนแล้วเห็ <c oughs> เป็นทวันดากับเป็นแล้วพรมกับเป็นแล้วต่อไปถอยขึ้นไปหน่อยที่เอรกราบทูลทั้งสมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าแม่ท่านปูท่ท่านญาพี่น้องเสร็จรวมประมวลความดีของท่านกําลังใจจับพระพุทธเจ้าจับแม่จับปู่ญาให้ชัดก็นอกจากฆ่าพระเจ้าเคยเป็นลุกกติวดาก็ดี เป็นภูมิเทวันดาวก็ดีนอกจากนี้เคยเป็นอากาศเทวนดาวไหมเคยไหม เ, เคยเป็นดวงดาบอันนี้อากาศเทวดานี่ก็นับ6ชั้นยาตุมาราชดาวดึงยามาลูสิตนี่มาลีปนีพัทธ์ว่าสอดดีนะแต่ข้านี่เป็นที่หนึ่งเหนังปลาเยี่ยมนาถามท่านดูว่าเคยเกิดเป็นอากาศเทวดากี่ชาติ ให้แม่ตอบยกนิ้วเลยสียกนิ้วสามนิ้วนิ้วไม่เกิดน้อยอยู่หรอตอนนี้อองนิ้วใช่ค่ะสองนิ้วอันนี้ดูสภาพว่าเอานิ้วที่หนึ่งทั้งชม้อยทั้งแบบนี้นะอันหนึ่งชาติในที่แรรยากาศสวดาดเกิดในทวาดาชั้นไหนชั้นหนึ่ง่ค่ะชั้นน ท่านหนึ่งจ้าตุมหาราชเป็นปรานีนรับสมอยล่ะเป็นผ้หเป็นมงมฟ้าดาวดึงหดาวดึงาดาวดงอ่าเรปรานีดูที่ท่านหนึ่งข้าวเจาตุมหาราชนะถ้าจ้เกิดเป็ น, นชุเทวดาเช่นจาตุมหาราชเนี่ยตอนไดชามานะต้องเคยมีชาต้องึ้นแงด้วยตำแหน่งในข้าจาตุมหาราชรเนี่ยเป็นเทพดาที่นุ่งเขียว เออเทวดานุ่งแดงล้นล้วนเป็นพื้นเฉยเฉยเออเทวดาที่ใช่ชุดแดงที่มีเพชรประดับน้อยหรือเทวดาที่ใช่ชุดสีแดงเี็เพชรประดับมากกรณีสีแดงเพชรประดับกางกางแปรงกลางนะเป็นหมัดสิ้นรองไม่ใช่มหาหมัดนะถ้ามหาหมัดก็เพชรเต็มที่เขาเรียกว่าวชระถ้าเพชรแปรงกลางก็เป็นมัดรองลงมาจะดแล้เป็นผู้ใหญ่ ทวชีระนี่ก็ไปอยู่ประจําสนักท้าเวศสุวรรณและท้าพุทธวิเทววิมุตต์ปักก็เท่าว่าทว่า ป, ปาท่าปกลางนี่ก็แสดงว่ า, า ค, คุมเขตต่างๆคุมเขตใช่ไหมคุมเขตเติมคุณผู้ใหญ่ว่าจะแบบมีอำนาจใช้งานคนอื่นใช่ไหมไอ้ปราณีถอยหลังไปว่าก่อนที่จะเกิดเป็นเทวดาเชน่นจารุมหาราตนี่ ตอนนั้นเป็นคนน่ะเป็นพระหรือว่าเป็นชาวาสที่จะตายมาเจอผีดายคนนี้เป็นพระนะดูสภาพของพรมเป็นพระดิเป็นพระขาวแล้วพระดำสูงนะต่ำอ้่นหรือผอมผ่อนขาวนะคล้อยข้างขาวร่างกายสันทัดเลื้องใหญ่โตนี่ถูกต้องหมด ในเวลาดูว่าการเป็นพระการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเบื้องต้นอาจจะดีแล้วรื่นเร็วในเบื้องปลายอาจจะดีแล้วเร็วดูการปฏิบัติเบื้องต้นพอใช้ได้ก็ติดเบื้องปลายดีเนื่องรัดนะเบื้องต้นใช้ได้ตอนตอนปลายก็เน่งรัดดั่งสมาธิชนะใช่ดนะั่งสมาธิปัญญา แล้วก็ไอ้ตอนนั้นนะไอ้มโนโมยุทธิเนี่ยราตรียุกยาเนี่ยเคยได้ยังเคยได้ต้องได้ที่ฝึกอย่างนี้ได้ไวๆเนี่ยมันต้องได้มาก่อนถ้าไม่ได้มาก่อนมันน่นนี่ชาชานั้นก็ได้มาแล้วใช่มชได้มาไดแล้วได้ชาญอา้าไซที่เคยได้ชานเอ้เวลาตายเป็นโรคอะไรตายนะแก่มากไม่ตายห น, น, นุ่มประมาณยุ่ ประมาณสามสิบสิบเจ็ดเลย <30 4. S 1> เอ้ใช่ได้แล้วถ้าประมาณสามสิบเจ็ตอนนั้นมันตายเพราโรคอะไรนะอาการอาการอ่ได้ชื่อโรคมันไม่ถูได้อาการหมดปวดเอปวดท้องเป็นโรคกระเพาะพระนี่ ร, ร้อยเบอสินกระเพาะอาหาร น, นอนปวดท้องมาเสดไหเสียดนะ่เดด้วยปวดด้วย อาศัยทเสียด้วยปวดด้วยและใจไม่ขัดแแยงมากเลยไม่แยงไ <c oughs> มแยงมากนะอาศัยที่ปวดก็ดีเสียก็ดีชานยังทรงตัวไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมถ้าชานทรงตัวเต็มที่ก็ต้องไปเกิดเป็พรหมนี่ชานทรงตัวไม่ได้เต็ทมที่ก็ไปเกิดเป็นขันจาตุมหาราชจําไว้นะจำหลังจากพ้นจากเทวดาขั้นจาตุมหาราชนั้นแล้วไปพรหมเลยใช่ไหมใช่ เป็นเทวดาชั้นนี้พมหมดเขตพับพอขึ้นเป็นเทวดาแล้วก็จิตก็เป็นฌานหมดเขตกําหนดที่ต้องทํางานก็ไปเป็นคนทันทีนะอ่าสม้อยดูสมัยที่เกิดเป็นเทวนาฟาชั้นดาวดิงมีความสุขมากไหมเป็นลูกพระอินแล้วกนนาา็เป็นนายาสูใหญ่เป็นแม่เงกายเกิดได้ผลักไสสลักกรร ม, มานะอ่าเป็นลูกท่านแล้วก็ตอนนั้นก็มีความสุขมากเออ ถามท่านญาติว่าตอนก่อนที่จะมาเกิดเป็นนางฟ้าสุดนั้นน่ะเอาไปเกิดเป็นมนุษย์ดูพาะเกิดเป็นมนุษย์ที่คอยหลังจากให้แม่ทํให้ดูให้ญาติทำให้ดูอันนี้ทพซ้อมอยู่นานแล้วเพราะว่าเร า, า, เรา ไ, มไม่กล้าทํานเห็นไหมเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็ก นอ่าก็ใช่ดิตอนนั้นก็เป็นเป็นเรื <t <t ่องย่อมๆถูกต้องแล้วมากแต่กลุนนี้เป็นกลุ่นเป็นข้าศึกจะมาได้เรื่อยน้อยจะเป็นขตริย์ก็จะว่าจะเป็นพระเอกชนท่านผู้ใหญ่เป็นกรเวลานั่นบ้านเมืองมันไม่ไม่ใหญ่โตใช่ไหมใหญโตและไม่สวยมากมันไม่ใหญ่สวยใช่ใช่ไม่ใหญ่โตรู้สึกว่านาาจัดจะแคบแคบบริเวณก็จะเข้าทักษ ยังหวัดเป็นสมัยนี้นะแ้วไอ้อังาก็ไม่แรววางใช่ไม่เนี่นะตอนนั้นเป็นกษัตริย์ในตอนที่จะตายที่เป็นเป็นเทวดาเช่นดาวดิงมันต้องทำบุญหนักนะทำบุญมากใช่ไมทำบุญมา ก, มากหนักใจหนักด้วยอะไรในขณนะก่อนตายคือก็ทำบุญใส่บาตแล้วก็อธิษฐานขอจะเกิดเป็นสวรรค์นั่นแหนละมั น, นต้งแต่รูสติ ทำบุญใส่บาตรปฏิทฐานในฐานะจัดเประปิทฐานบารมีการใส่บาตรเป็นฌานุสติกรรมฐานเป็นทานด้วยเป็นฌานุสติกรรมฐานด้วยในบาตรนึกถึงพระเป็นแสงฌานุสติการปฏิบัติตามธรรมเป็นธรรมานุสติและการตั้งใจทำบุญเป็นธรรมานุสติการใส่บาตรก็ต้องนึกถึงพระเจ้าด้วยใช่ไหมดีละบูชาพระถึงพระเจ้าด้วยเป็นพุะธรรานุสติอันเนี้เป็นปัจจัยกระโดดหนึ่งแน่นะ เอาสำหรับสภาวะดาวดิงเราก็เห็นแล้วอันนี้การเกิดเป็นมนุษย์ตอนนั้นเราก็เห็นแล้วการเกิดเป็นมนุษย์แต่ชาติจะม้อยหนรูงทุกตัวจะเป็นสรตั้มากแล้วก็ปรนีก็ไม่การตอนนี้เราก็ทุกคนต่างคนต่างก็เกิดเป็นคนกันมาแต่ละชาติแต่ละาติแต่ว่าภาพสภาวะสมบัติทั้งหลายต่างๆที่เราจะสมไวน้น่ะถ้าจะเก็บมาใช้เวลานี้มันก็เหลือแหละนะ่ แต่ไม่มีใครนํามาเลยใช่ไหมไม่มีเลยเนี่ยแย่จริงจริงเลยไอ้แกใส่กระเป๋าต้องบาทต้องบาทไม่ได้ทำคนมาไม่ได้ใช่ไห ม, ไ ม, ไ, หมไม่ได้เอามาไม่ได้เราเกิดมาแล้วแต่ละคราวเนี่ยปุ๊เพนิวาสาวฤกษ์จุฬาเนี่ยให้ดูอย่างนี้นะไ ม, ไม่ให้ดูเพราะอวดคนอื่นดูไอ้การเกิดนี่มันไม่ดีเราเกิดแต่ด้ชาติทุกครั้งก็ทํางานหนักทุกครั้งสะงสมซักถินต่างๆบ้านช่องเรืนโรงก็ปลูกกันหนัก และ ว, ว่าเวลาตายเวลาจริงๆไม่นําอะไรมาเลยไม่จะร่างกายส่วนหนึ่งของร่างกายนิดหนึ่งเราก็ไม่นํามาใช่ไหมไ อ, ไอ้การเกิดแก่เจ็บตายพระเจ้าบอกไอ้การเวียนว่ายตายเกิดที่มันไม่ดีไอ้ต่อ น, นี้ไปถ้าเราจะพูดถึงมแล้วก็เคยไอ้สันพรนี่ไม่ต้องถามพระที่ถามมาแล้วนะนี่ต่อไปก็ขอกราบทูนถามองค์สมเด็จพระบพิีรแก้ว ว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นสะัตว์ประหลาดคอยเห็นภาพสัตวทั้งหมดเลยภาพทีเคยเห็นเป็นอะไรบ้างจํานวนเท่าไรคอยเห็นทั้งหมดเครื่องตัวไหมยเยอะไหมมาเป็นสัว<า>ตวนะ์ทำไมเป็นอย่างเราเป็นทุกอย่างแต่ว่าปริมาณมันเยอะจริงไหมย เ, เยอะ ม, มากนะตอนนี้ก็ภาพของสัตว์ให้มันกองอยู่สภาพคงตัว ขอดขอต่อนี่ไปก็ขอดูพภาพการเกิดเึ็นมนุษย์ที่ทิ้งอัตภาพไว้แล้วมันมีปริมาณเท่าไรตองเทียบกับสัตว์ที่เทียบกับบนได้ไมไม่ได้เป็นสัตว์มากกว่าใชไหมสัตว์ก็ไมเล็กกว่าสัตว์กเล็กกว่าเป็นซากมนุษย์กองใหญ่กาอใหญ่กว่าได้สัตว์ตัวเล็กก็บา่าก็เล็กาา้ากโตมากเออท่นก็หมาแย่นะเออเออหรือนม้เห่าเกง่งวะ หน่อยนี่เกิดเล้นาพาดหมาไม่ันดานหมาติดมาวนีะเนี่ยเดนะียวเนี่ยสภาพนี่นะดูด้วยการเกิดมันไม่ท่งตัวใช่ไหมเราเกิดเป็นมนุษย์ด้ากายเปน็นมุก็นับไม่ไหวใช่ไหมยิ<ช>่งเกลือนนี่ก็ไม่มีความหมายเกิดแต่คราวแล้วก็ต้องทิ้งอันดับภาพร่างกาย นอกจากเกิดปมนุษย์เพ้อผับเดียวใจชั่วที่ก็เกิดเป็นสัตว์ใช่ไมใช่ใช่ไหมแล้วก็มีความลำบากไอ้สภพพาวาสสัตว์มันลำบากยังไงน่าเบื่อวะเนี่ยเบื่อการเกิดเนี่ยถอยหลังไปนิดสิเคยเกิดเจอสุรกายบ้างไหมกี่รอบถามแม่ที่กี่รอบกกี่พันรอบ เกนะ้ายเ9้าเ้าันอือก็ยังน้อยไปนี่เรื่องโชว์ดรามาอ่ะอันนี้เยอะไหมข้ยเก้าสิบเอ้เออยอหลังเออลงไปชมไอ้ภาพเนี้ยอสุรกายเนี่ยอสุรกายที่เราเป็นน่ยมันเป็นโชวกายแบบไหนแบบพร้อมนะแบบอ้วนพร้อมนะพอมนะอสุรกายเบื้องต้นพอมนั่นหน้าเสียดแนะ่ตัวไหมนะหน้าสงสารนะเออพร้อม ดำดำในกายนะาส่วนใช่ใช่ดําำภาพดาดำอสุจิกายอสุจกายนี้ก็แปลว่าผู้มีกายไม่กล้าต้องคอยหลบกลัวคนเห็นกลัวสสถินนี่เปล่าดูภาพใครก็มาแป๊บๆันหลบเรื่อยใช่ไหมหลบก็หลบกลัวก็ยังหนหาอายเขาบ้างกลัวเขาบ้างนี่นะจม่าปไนนี็เปล่า สามท่าแม่บอกก็ทำกรรมไว้ที่เป็นนี้นมก็ยามเป็นตเนอเอเนื้อ่นไอ้นี่มันกรรมเศดมันก็มาจากเศษว่าจากเศษจะมาเป็นสุรกายห้อยหลังในสภาพที่เราเคยเป็นเศษสวยใช้ไใครเป็นเรดอ้วนมตุ้งใหญ่ใหญ่ตยนตใหญ่อหญ่ตุดำดๆหแลปากปากเล็กเล็กอยงี้ ไปเล่นตาบไปแบปยบเรามีนะถ้ามีอะไรเิดผัวไก่นี่นะถถนี่เห็นนีแล้วเตยผว้หมาอนะื่นไอ้เตยที่มันมีหลายแบบนะมันมีหลายแบบถือว่านีา่ใคเป็นหนมะไม่เคยนะ้ยไม่เคยไม่ได้ต้องดูให้ดีดูที่ถามแม่แสดงภาพไปเห็นออไอฮะ มันเปลี่ยนเลยเพราะว่าจะสุรกายทีมันมาจากเปลือกสุกายที่มันกดเบาลงไปแล้วกรรมใช่ไหมจากเปลือกมันเบาเต็มที่แล้วพ้นจะเปลนเป็นสุรกายที่เราถอยหลังลงจากก่อนจะมาจะเป็นสุรกายแล้วก็ต้องเป็นเปรืมาก่อนเปลือนี่เราขอดูชาติเดียวมันได้แต่ความจริงมันหลายชาตินะหลังจากสุรจากเปลืไปแล้วก็ต้องลงนรกมาสุด ถามแม่ที่ว่านารกขุมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดแปดขุมเนี่ยเราไม่เคยลงขุมไหนบ้างลงหมดทุก ข, ขุมสบายเลยล <ง S 1> ห่ดทุกขุม่นี่มันเก่ง อ, าาอะข้าวอะข้าวมันยังไม่ลงขุมเจดขุมแปดเองมันเกงข้าวในวันถ้ <c oughs> ่งั้นถามแม่ที่ว่าไอตอนที่ลงนรกขุมแปดนะมันทำอะไรหนักสักไห น, น, นลงนรกขุมแปดนี่นเรื่องธรรมดาเรต้องลง เออไอคอร์อรับท่างอย่าลืมนะมันโกงเขาทาั้งโกงเ ง, งินสงนะโกงเ ง, งินโคนทั่วประเทศนะนะกินสิ้นบงก็คอรั่างตัวเดียวกันอาบาเนี่ยเบจีเนี่ยมันทาอะไรกันมาคุณแปเบจีจับปลาใชค่ะปลาใค่ะอ๋อบายกินาดิฮึถ้าขายปลาก็ต้องลอตะวันนดิ อันนี้นอันนี้เป็นธรรดากรรมทังแม้ว่าการขายปลาข้ามมดก็ตามถ้าเป็นค่าทุกวันทุกวันทุกวันพันถือว่าเป็นอาชนพกรรมก็ลงเวทีนี้กันอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเว้นมันซะใช่ไหมเว้นม yes ันจะไปนิพพานนีต่อมาอไอ้โลกรันไม่เคยลงมาเปล่าวะเนี่ยเก่งกว่าไอ้พวกนั้นไม่เก่งกับข้าหนิวะเนี่ยไอ้คุ้มี่ข้าก็มา yes pues ได้ลงเล ทำไมไม่ไม่ใช่สว่านี่ไม่ใช่ไม่สวยเราต้องการรู้สภาพตามความเป็นจริงไอ้ชั่วน่ะมันทําลงโทษแบบนี้ใช่มไหมใช่เราทําชั่วมาแล้วลงโทษนี้ก็เนี่ยเราจะทําทําดีแล้วเราจะหนีอพวกนี้มันใช่ไหมถ้าเราหวังความเกิดต่อไปเราไม่พ้นไอ้ขุมขุต่างๆเนี่ยเห็นไหมนี่เราก็ไม่ต้องการหวังความเกิดต่อไปไหมนี่เป็นการเผลถอยหลังนี่ดูว่าไอ้การที่ตกโลกรันเนี่ยมันหนัก ก็าถามแม่แล้วก็ถามท่านปู่ท่านย่าสมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าว่าใช้กรรมอะไรที่เป็นจุดใหญ่ให้ลงรูกันเนี่ยในมนุษย์ถอยหลังไปดูครรมมนุษย์ทำอะไรอาชีมอยทำอะไรเอางวที่เขาไปขโมยงัวขาหลับไปจับข้าวเออไอ้แก่นนักฆ่าได้ใก่เห็นภาพก็รู้แล้วมัหลอดดักนะ เนด่าไอ้กรรมมันก็ล้นล้นอไรกี่อาีแหะขาดความเมตตาชไตัวเดียวกันน่ะได้ได้ขโมยมีขายความเมตตาก็ฆ่าดาอย่างนั้นเห็นหมขายความเบียดเยนด่าใช่ไหมเจาทั้งคนทั้งสัตว์หรือกูกินดนี่มันถืออะไรมึงวามันถือธนูหน้าไม้วะน่ะเขาหอกเดเนะเห็นไเจ๊ขหือเจ๊ไม่รู้จิ้มกระุ ทันได้กินแล้วกันใช่อ้ น, นี่เป็นกรรมอันหนึ่ง mm hmm. ที่มันจะสนองกรรมนี้เป็นการถอยหลังนะแล้วดูสภาพแบบนั้นเราทําบาปเกือบตายฆ่าใสกเกือบตายเวลาตายแล้วมันไอเนื้อใส ก, ก็มาติดสบายใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่คงอยู่เราฆ่าของเขามาเพื่อจะมาเลี้ยงชีวิตเราแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆอ่ะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะส่งชีวิตอยู่ ยังสมัยพวกเราโมกุลจบอกว่าจงเว้นจากความชั่วประเทนี้เสียนี่เป็นการเผยหลังไหมวิธีนี้เขาเรียกถ้าเรารู้เรื่องของตัวเองอย่างนี้เขาเรียกปุถุนิวาสญญานิยานนะถ้าต้องการรู้เรื่องของคนอื่นแต่ว่ารู้แบบเดียวกันแต่ว่าเรื่องคนอื่นเข า, าเรียกจุกปูปปาฏิยาน ync. รู้การเกิดของคนในสัตว์รู้การตายของคนในสัตว์ แต่วันนี้เราจะศึกษาก็แค่แค่ปุเพนิวาสารุสุพญานไนงะนี้ต่อไปก็ถือว่าเวลานี้เราขยับทีนิดหนึ่งนะขยับอีกหน่อยหนึ่งที่มันเอียงไปยัืออื่นจนเวลาเหลือหานาทีดูอานาคตต่างพยานอานาคตต่างพยานในปุพญาณดูเรื่องของตัวเองนาะนาคตข้างหน้านะ ว่าเวลานี้เรามีความเคารพต่อองค์สมเด็จตุศมาเทวิตาจารย์จริงเคารพในวัรรมจริงเค า, ารพกัลยาณีสงฆ์จริงเรามีความกตัญญูรู้คนจริงอันนี้ตัวนี่ตัวใหญ่มากในเวลาการหนึ่งทุกคนก็มาฝึกฝนพระธรรมการฝึกฝนแบบนี้จิตที่ต้องการจริงๆคือพระนิพพานใช่ไหม เราไปนิพพานมาแล้วใช่ไหมสวยสดงดงามถ้าไปถึงนิพพานแล้วไม่มีการไปไหนอีกเป็นเทวันดากดจุติเป็นพรหมกดจุติต้องตายแต่นิพพานคําว่าเครื่องคำว่าตายไอจุตินี้แปเคลื่อนยังไปไหนไม่มีจะอยู่เฉพาะนิพพานอันนี้แต่ว่าไอร่างกายของเรามันยังไม่ตายเราก็ยังรู้ไม่ได้ว่าเอ่ยวันเวลาข้างนาเราจะอยู่อีกกี่ปี ในความดีที่เราจะสรงไปเนี่ยมันด้ทรงแล้วตลอดวันต่างเราจะไปเปรี้ยตรงไหนบ้างตอนนี้เรากราบทูลถา ม, ม, าถมาถาทุเดชธรรมมาทั้งผู้เดเจ้าและอาชชีมาทิมแม่ถามถามแม่นะแมท่านชีมาทิมแมทเห็นปะ่ะเห็นนิดหน่อยเห็นด้วยไอ้ถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามท่านท่านบอกท่านชีมาทิมแมทถามไม่สีว่านับตั้แต่เวลานี้ไปเนี่ยกาลังใจของพวกเรา ท่าสองกอทุกคนต่างคนต่า น, นึกเอามันจะเลวลงหรือมันจะค่อยๆดีขึ้นนตามระดั บ, ดบดใช่ไหมคำ น, นี้คาว่าดีขึ้นต้องระวังหน่อยนะบางครั้งร่างกายไม่ดีบ้างอะไรบ้างอาจิตมันก็ทรงตัวน้อยไปใช่ไหมถ้าสมาธิน้อยไปถ้าโมไปหน่อยก็จับอารมณิพพานให้ได้นะเนี่ยจับอารมณ์นิพพานให้ทรงตัวที่ถด้าอารมณิพพานทรงตัวที่ได้ นี่ทุกคนก็ตั้งใจต่อไปว่าไอ้เวลาที่เราจะตายแาวเนี้เวลาที่จิตมันจะดับจริงๆสภาวะของมันจริงๆ จ, จ, จะไปถึงนิพพานหรือจะไปติดอยู่แค่ผมไปแค่ไหนแน่นิพพานานิพพานนี่ตอนที่ก่อนที่จะดับจิตจากเจ็ดวันและสิบห้าวันขนานั้นจิตก็ตเราจะเข้าถึงอะไรแตามรรคไหม แล้วอารมใจในตอนนั้นสภาพแจ่มใสมากไหมแจ่มใสมากเะแล้วก่อนที่จะดับจิตสองสามวันนั่นจะเห็นภาพพิพานแจ่มชัดดีไหมดีมากเลยนะแล้วก็ดูว่าเวลาจะตายเวลานั้นพวกฟองพุพานมาแอบล้อมเยอะไหมมาเมือทางพระตอนบัดนี้ไหนเขาไปรักษาตรงนั้นนะอันนี้ก็มีความมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจมั่นใจในความดีที่เราทํานะ มั่นใจเราทุกคนเวลานี้ไอ้เทปโซนี่มันก็ดันเสียหมดไปก่อนท่านนายท่านบายเพราะไม่นแย่แย่ใจตอนนี้ไปก็ทุกคนก็ตั้งใจกราบสมเด็จตุศมาสมุทรจ้าท่านผู้ท่านญาติท่านแม่และบรรดาพี่น้องท่านหลายที่มีความเมตตาสงเคราะห์ให้เราสามารถรู้ปุตตะนิวาส า, านุพติญาณได้ซึ่งเป็นของยากนะเนี่ยสํานักเราเ น, นี่ยจะก้าวๆไปชนิดนึนะ ญาณน่มันมีแปดอย่างถ้ามีโอกาสก็ต่ ว, ว่าอัญญาณอันนี้สาคัญเป็นสคัญอีกอย่างพุทยท้ากรมุตายานแลวก็มีเจโตกริยาญาณอันนี้สาคัญมากถ้ามีโอกาสก็ยได้ฝึกกันต่อไปนะตอนนี้ไปขอเาทุกคนตั้งใจกราบลาท่านปฏิบานที่เดิมได้พระเจท่านเรียก่สามภิกใช่าสามเพราะว่าชื่อบนนัน้นเป็นสามภิกษให้ฟท่านบอกว่า สามว่าแปลงท่านบอกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สามโลก okay. ก็เีมาเข้าเขายอดสามโลกส่เเรีย ก, ก, ก, กว่าย mm hmm. อด ท, mm hmm. ทั้งหมดัพระสภาพเราทำปวงทป็นผู้ยิ่งใหญ่แก่เกสีเกสีก็หัวเกตเป็น เ, เป็นผู้ยอดของโลกทั้งหมดสมัยข้ามาจกพูดถึง สีสีแม่สีเพื่อข้อสีเรื่อยจะเรียกเมื่อเวลาจะเรียกตะไปไหนหรีอกธมะเจี๊ยตะไคร้เียก็เป็นธรรเจสีอริยภูกิทองจได้ทีว่าสัพพะสัพะมาทั้งปวงสามพะมาจะสัพพะตัณฑ์เจสีเจสีแล้วเก่เก่งก็เลยยอดยอดทุกอย่างธรรมะแปลว่าอะไรนั่นหลนยิ่สามโ บนขั้งบนสวรรค์นมนุษยโลกแล้วก <mm> ็ยมโลกออบพ่อเธอเป็นเสื้อยืดใหญ่สามโลกเลยเลือดเลือดถึงสาอสยอะไร ใ, ใช่ยังก็ต้องจงรู้สับเปรอ้าวอัน <mm> นี้มันไม่หมดไอ้เทศตัวนี้กับยาวข <mm> องเพชรก็สิ่งมันจะมีตไอ้โซนี้ยังไงอยากเอาเล่นได้ยนะังไาวขานี้ <mm> <mm> ได้เลยมันได้เนะ เพราะเรไมได้คิดมัน